สมุท่าไหรนมทำเบอรให้ฐานรักษาติ่ น, นั้นอะ่ะเต็ี่เลยหมดเลยทำหมดแล้วนยบ้านไหนอีกแล้วกเ็นสิทธอกแล้กบ้านไหนอีกแล้วกป็นิทอีกแล้วไม่มีทครคไหนไม่แหลโยมทำเพลละลลเป็นพระเจ้าหรือเป็นใครกม่ทราบวะเป็นเปี้คงของตนเป็นเปน ข, นขีคงของตมนมเคยได้ยินหมห ะ, ะแล่ลข้้โตโอมไม่ได้ แล้่่่่่่่่่่อ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่้่่่่่่่่่่ร่่่่่่่่่น่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ว่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่เ่่่่่่่่่่เ่่่่่ก่่่่อ่่่่่่่่่ก่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ั่่่่่ เิมมสมัพรกฤตไปอยู่กับพระพุทธเจ้าพระรกฤตเข้าใจว่าลูกเาสายคือพระุมารกเสายเจ้าสิทธาเพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยทำท่าที่โกรธพระกฤตพระกฤตเข้าใจอันนี้เป็นพระพุทธเจ้าหรืพระกฤตคนในเลืสมมติไม่ยมเาเข้าใจอันนั้นเป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยพูดให้พระกฤตลูกอนี้กับลกพะกฤตเหมือนพระกฤตตายเป็ม่ตายเดแล้วปหาคด เนี่ยพระวกริ้ว่าพระพเจ้าไม่ตายเปไม่ตายเป็นไม่ตายแล้วก็นอาเป็นไม่นอากเป็นเหมือนเป็นเหมือนกันเหมือนเป็นเหมือนกันไม่จะไม่เข้าใจว่าอันนี้เป็นพระพุทธเจ้าทำไมพระวกริเกิดสงสัยขึ้นมาเออพระาอูที่ไหนจงจริงอันนี้พรธเจ้ก็เลยแนวให้บอกวาต้องดูชีวิตอีของนรที่พระวกริ้วเราไม่เคยอย่างนี้นี่แต่เลประวัติแต่นั้นเองเรประวัติเรองพระกริ้วพระก้วเคได้สติเอตดใจเป็นที่พิ่มได้ แต่เพิ่มพระพุทธเจ้าเราไม่ได้เห็นพระพุธทธเจ้าจะแรกเราคนแรสบายใจเมื่อเราเห็นพระพุทธเจ้าเราคสบายใจดีใจเชื่ใจเมื่อท่านโกรธให้เราท่านสาแสดงอย่างนี้เราก็ไม่สบายใจเอ้จิตใจจริงๆมันสะอาดมันสลางมันสงบมันมีแล้วโอ้พระพุทธเจ้าที่มันเป็นอย่างนี้อันนี้จะพรวกกรเ็กคนนเล็พระพุทธเจ้าเคยพูดเอาไว้ว่าผู้ใดเห็นธผู้นั้นเห็นตถาคตผู้ใดไม่เห็นธ ผู้นั้นไม่เห็นพระตรรมขดหรือผูเราเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราไว้ผู้เรเห็นเราผู้นั้นเ็นธรรมผู้าไม่เห็นธรรมแล้วจะไปใกล้พระพุเจ้าก็ได้เห็นพระพุทเจ้าเลยเขาได้ยินไม่เห็นอย่างนี้เขา้นนี่แล้วเราจะไปหาพระทเจ้าที่ไหนแต่นั้นเป็นเรื่องสมมติเนมือนจมัทถถ้าเราเข้าใจอย่างนี้แน่นอนก็สบายใจสบายใจจริงๆหนึ่งเรื่องเนี้ยเราึ้ตัวเราได้จริงๆไม่ต้องไปพึ่งถือไม่ต้องไปพึ่งเทวดา แล้วต้องเพิ่มเลอกงามงามดีอะไรทั้งหมดเลยเพิ่มตัวเราทาตัวเราให้เป็นพระขึ้นมาได้จริงๆดังนั้นพระนั่นจึงเป็นเรื่อนทุกคนไม่ยกเว้นจะเป็นผู้หญิงก็เป็นพระได้จะเป็นผู้ชายก็เป็นพระได้เมื่อท่าเสียอะไรก็เป็นพระได้หรือศาสนาไหนก็เป็นพระได้ท่าเลจักแล้วเป็นอย่างไรดังนคนไทยเนี่ยไม่ค่ยสอนกันเรืนี้โยมก็ว่าสบายแตเนี่ผู้หญินก็ว่าสบาย พไทก็าสบายเหอนเอาระเนนก็ว่าสบายเหมือนกันนี่ยเอาพระเนนไปยังไงอย่างี้ในณะไม่เป็นเนี่ก็สบายเหมือนกันอนสบายเลยไม่สิดกันเลยด่เทากันไม่ต้องไปสร้างไปเปลีอะไรขึ้นมาเพระมีอยู่แล้วเมื่อแหวกฟอพสวรรค์ไม่ผ่านฟกใถกตดเมื่อฟอกกติดจะได้ทันทีอดน้ำศึกษายได้กินน้าถ้ากดน้าไม่ถึกษายตดเป็นตายคนไม่กินน้าเลยเพราะไเจเนนเขาขนมาไม่มีน้ำไม่ข้าทุกเถ้าเปนม็ดข้าวอ้วนเข้าต้น เอาไปลงแค่ดินที่ข้นที่จะนงอกขึ้นมาเข้าต้าก็งอกเหมือนกันเข้เนือกางงอกเหมือนกันมันไม่ขา้าวอ้วนข้าเต้นแบบ น, นี้เอาไปโยนมินเขาไปแค่แปลงใไม่อกโเอ า, เอาเข้าไม่ข้าอ้นเต็มตมไปแค่แปลงใสโยนจะอกไหมไม่หอกถ้าไปข้าที่ขึ้นที่จะแต่งหอกไหมเอออันนี้ก็เหมือนกันโยมมเนี่ยไม่ไม่กำหนดเลยเพาะคนฟังเต็มแลวเป็ น, ปนขา้าวอ้วนขา้าเต็มเอาไปงอกกห้มันโตนอกขึ้นมา เมื่อนอมาเป็นนอนห้าสิบกว่าคนนี่รู้ธรรมะอย่างนี้นะบอปสอนค่ะเผยแค่พุทธศาสนาพุทธศาสนะก็จะโลดขึ้นมาคตมื่อไม่มีคนพูดอย่างนี้เราเคยเคล็ดการธรรมะเระถ้าทำของพระสาสดาสว่างเปียนงปฐพีดวงปฐูีคอยแต่จะติดดับคอยจะติมาเล็ดเล็ดเลดเล็อย่านน่ะอย่างนั้นจิตใจของโมก็เหมือนค่ะตันลดานอันจิตใจเป็นปกติเล็ดเล็ดเล็ดเล็ยกับปานใยมมันอยจะติดดับจนมมดลมหายใจแล้กระดับกันทนทีเล มันไม่มีมาจุดที่มันทำเป็นตะเกียงจะยุกขึ้นมาพยายามคุ้มครองป้องกันเอาไว้อยากให้จิตใจโกรธจิตใจโรคจิตใจด่นเกิดขึ้นให้มันสะอาดใหมันสว่างให้มันเป็นอย่างนี้เมื่อเป็นอย่างนี้ธรรมของศาสนาก็เป็นตะเกียงจะยุกต์ที่ไหนก็สว่างเลยมันจะไม่ลึกิเมื่อคนโกรธขึ้นมาดูใจันทีมันก็สว่างมันไม่ยอมเ่นตัวไนึ้ม่ดูใจแั่ม่คนโกรธขึ้นมาปุ๊บมอดทันทีเลยไม่มีแล้วไปนี่เป็นอย่างนั้นิพางก็หายไปแล้ เห็นนิพพานมันไอ้เดึงไว้แบบนี้ดุกดุดอย่โกดดุดึกดอย่าโกดนิพพามันเดินไว้ก็เมี่ไม่เคยดูอันนี้มันนี้ก็เป็นการเตืมนจิตกับจิตใจของท่านขู้มาตร่นี่พ้างานทาให้มันรู้จริงจถ้ามันรู้จริงจริงรู้ที่จะทาให้รู้ไปไหนมาไหนคอยดูจิตดูใจที่มันมดมันคิดมันมดมันคิดอะขึ้นมาเราต้องรู้ต้องเห็นต้องเข้าใจแต่เนี่ยเพรามันใจมันอยู่กับเราเนี่ย ผู้หญิงก็มีจิตในใจเหมือนกันผู้ชายก็มีจิตในใจเหมือนกันคนไทยก็มีจิตใใจคนจีนก็มีจิตในใจไม่เหมือนกันทั้งนั้นไม่มีว่าคนไทยมีจิตใจน้อยคนจีนมีจิตใจหลายไม่ใช่อย่างนั้นถ้าเรมีจิตใจหลายเรายัมีจิตใจน้อยไม่ใช่อย่างนั้นไม่เหมือนกันเท่ากันแต่สําหรับสติปัญญานั้นไม่เหมือนกันแต่คนใดมีสติปัญญาเข้มแข็งเป็นข้าวชน่งคนใดมีสติปัญญาน้อยก็เป็นข้าวถือสอง คนใดก็ตีปัญงานน้อยลงไปก็เป็นข้าวตีสามคนใดยิ่น้อยลงไปฟังแล้วง่วงหลักง่วงนอนก็เป็นคำเป็นแกะไปจะเป็นอย่างนั้นคนใดฟังแล้วตั้งใจดูจิตดูใจเราลงไปโอ้หลักสัมปชัญญะจิตใจของเรามันเป็นอย่างนี้โอกความเป็นอย่างนี้ท่านว่าไม่ผานโอ้ไม่ผ่านมันในอยู่ที่นี้ดังนั้นไม่ผ่านนั้นพระเบญจกสอนให้คนก็คนรู้ไม่ผานแต่เมื่อยังไม่ผันตายนี้เมื่อเร า, ามิพ่านได้แล้วเราไปไหนมาไหนก็ไปโดยผ่นาน ทำนาทำสวงก็ทำารื่องไม่ทานกินข้าวก็นเร็นองทานให้า้องน้ำห้องซ่อมก็ขาดเขา่องไม่ทานไทานจะเป็นสมบัติของมนุษย์อันมนุษย์เนี่ยมันหน้าตานี้ือนกับสนตัวคนนั้นหน้าตามนกับนมนุษย์ตัปสูงตัวต่คนรพูดอะไรให้เรามันโตขึ้นมาทันทมันลืมตัวคนนั้นจะเป็นคนลืมตัวมนุษย์นี้จะเป็นคนไม่ลืมตัวออกมาที่นู้วันนี้อย่าลืมตัวนะเพราะคนเตือ่ยนไไม่ได้อ่าลืมตัวพยายามศึกษาตัวเองให้นึ้ให้เข้าใจจริง ถ้าโยมตัวขาวดแล้วถุยมันจะเข้ามาข่าวนั้นถ like, like, ุยมันจะเข้ามาถ้าเพอจะวิ่งหนีเมื่อโยมเข้าใจ่างนี้แล้วพยายามเดินเดินไปไหนมาไหนเดินไปนั่งอยู่ที่ไหนนอย่แตมันเคลื่อนไหวอะไรให้น้แล้วก็เห็นทุกกันมาทุกเรื่องท้องแกับทุกข์คแล้วดังนั้คนจิอยู่ในทุกกินโดทุกนั่งโดทุกนอนโดทุกไปมาไหนไปกับทุกที่ไม่เห็นทุกขันเองทุกข์สวนหัวเราอยู่แต่ทุกเดินอยูผม มาไม่มเหยอาข้ามากดเนไม่เห็มข้าอีกแล้วเอากดมากดมอีกแล้วมันหลายันขึ้นมามันก็เลยไม่เห็มวันนี่ราถอนกดออกไปถอนข้าอไปถอนเือออกไปถอนผมออกไปมันก็เห็นหัวเริงรงังนั้นไปด้วยทุกทุกอยู่ที่ไหนเนมสมมติถ้าโยฟังบ้านเรานอนเสื้นอนบานมนสบายเลยเมื่อบ้านมีมีหือดมีมดนอนนอนลงไปเหียดมดมันกะมากัดเนอเนือมเคยเมื่อเคยกัดเอไมเนื้ อะไรวะนี่ที่มันมีเนี่ยนี่งานเดินเราต้องศึกาให้รู้สมฐานของเง่อของมมันอยู่ที่ไหนอย่าให้มันากัดเราเผาไฟออไปแลวเล่อนท้เอเมื่อเราึกษาหาต้นเหตของผมพุนะพุทไม่จไม่มารกวนเรเื่อพุทไม่มารวนเราก็อยู่ที่ไหนก็ไม่มีุทอย่างนี้่อยๆท่านั้นเองเรองสอนเนี่ยท่านสอนมากอดมต์พันธะมัขันมโนุท เวจะได้คิใจไม่มีทุกเรืองไม่คนจริงว่าอยู่พนทุทุกเรื่องะไรมันไม่รู้ดองแม่น่ะูุ่งจับพี่เวนนี้คือคว้าออกมามันก็ไม่ไม้มันนอนกับผ่ผู้ชายยอมผู้หญิงเคยเลื่อมโลกไหมมันนนกับพีกันอยู่ไหมมันนอนกับผีแล้วเอาข้าวให้มันกินนอนกับผีกินได้ใช่ไหมอย่างนั้นเองเราไม่จะขอเรือมีทางให้ยอมฟังเราต้องแจ่งฟังให้มันเด็คนใดน่งหลับนุ่นอนจำไม่ได้มีสองคนด้วยกันไม่เป็นเพื่อนกันไปไหนมาไหนรักแทนกัน ไปจำศีลด้วยกันไปทำบุญด้วยกันไปก็รมฐานด้วยกันไปจำเรีนวิปัสสนาด้วยกันไปที่ไหนก็ไปด้วยกันแต่คนไม่ทาแล้วไม่ควรไรืสุดดีคนไม่ทาแล้วไม่ได้ควบริสุดไม่ว่าด้านค้อยเลยเมื่อนี้อนุโมทนาไปตายตายทั้สองคนคนที่ทาได้เรื่อยสุดดีรักษาศีลก็ริสุดให้ทานกเรื่อยสุดทกรรมฐานก็เรื่อยสุดดีจำเรียนมิปัสสนาก็ริสุดดีคนนั้นตายไปแล้วก็ไปเคลื่อนเทวดา คนที่ไม่ทาบริสุทธ า, าม ก, ก็ไม่บร้สุทธิ์ลักหาศีลก็มาาไม่บริสุทธิ์แต่ทากรรมฐานก็ไม่บร้สุทธิต่เจิปัญญาก็ไม่บริสุทตายก็จะเป็นนอนอยู่ห้องเช่มของพระไม่ใช่เชื่อมนอนนะย่โยุทธ์ห้องไม่ใช่ห้องไถ่อุตตรพัฒนะ์แจะเป็นนอนอยู่ที่นั่นนะะกันอสองคนนะ่ยก็หากันข้อไปไหนมาไหนลักกันเลไม่โตกันเลน ย, ยนั่นเปานกรรานกันหมดเนี่ยโยมเข้าใจไ นางโน่นนอนไม่มีโอกาสไม่มุเยนาจะเหนี่ยมหน้าขึ้นไป็นฟ้าได้เทวดามีเยนาจะก้มหน้าลงมาจะไม่ได้เมื่อก้มหน้าลงมาก็เห็นหนอนนอนอยู่ในกองหัวเพื่อของพาระมามาพูดเอาเสี้ยวว้อย่างนั้นมากลมาเห็นโอ้เพื่อนทาอะไรเนียโอ้เพื่อนอยู่ที่นี่ได้ถามเธาเลยว่าเธอไปไหนมาเลี่ยเรามาจากมรดสวรรค์พูดพดเป็นเทวดาเขาเพื่อนบอก่เรามาจากมรสวรรค์โอนานไม่ได้เห็นกันก็นานนะถามแล้วไปสุ น, นทรภัณฑกันเรย ด้วถามถึงคนทุกขสุดในสวรรค์มีคนสุดไหเพื่อนมีคนสุดเธอจะว่ามีคนสุขไหมมีคนสุดไปเนี่ยคนสุด่เหมือนกันเด้อตอวนี้เข้าใจจริงนะตันี้ควบคุณสมบัติของสวรรค์ไปอยู่ด้วยกันนะเพื่อนห่าง่คคุณสมบัติของสวรรค์ให้ฟังเล้เม่จะไปด้วยถ้ามันจะมีจรงนะถ้ามันไม่จะมนก็ไม่ไปมันคิดกใจน้อนกับดาราคุกันดาราเขาเให้ฟังนสวรรค์มันศพของที่อได้เชื่ออยากได้ภาค่านี้เขาก็ได้เปนทิพออกมาเลย แัด้บ้านก็ได้เรียนกอนมืด ก, ก็ได้เป็นคุกออกมาเลยนัดไรก็เป็นคิดทำนั้นโอ้เพื่อนเอ้ยม่สวรรค์ดมื็กระท้อคิดแล้วเดี๋ยวนอนกระท้อเราจะกระอเนี่ยนี่ตอนมืดเป็คิดอะไรแล้วนอนเมื่แหมของอาหารสดสดดีๆทั้งนั้นเลยพุกวปิงปองเป็นมืดจะของดีทั้งนั้นเอก็เลยพูดให้ฟังคือไม่อของดูเปียเนื่อดีจะขงดีเปียนนี้ โอ้โหเชี่ยทำไมจะไม่โลกของตัวที่ค okay, hmm ิด nah, ขี้อัวนั้นขี้จะเชี่ยวอันเนี้ยถามตัวเชี่ยวขี้อันเนี้ยโอ้โหขี้กิเช่ถามเมือสวรรค์มีขี้ไม่เชี่ยววะทําไมถามเมอสวรรค์จะมีขี้ทัาไหมเชี่ยวของคนเป็นของทิพไม่เมือนไม่มีข้โอ้โหเชี่ยวไปเมองสวรรค์นั้นเคไม่ได้แล้วเพราะว่าไม่มีขี่ให้กิดข้นเหมือนกันโกนขี้วะนไม่เหมือนเด็กเขาทรงขี้เอยโยงอันนี้ก็เหมือนการคนเนี่ยพกครงทิพย์ให้ฟังแล้ไม่ชอบฟังคนไม่กินโลกทุกกินโลก มันไม่ทุกเนื้มันทุกเนื้ตั้งไปอยู่ในกองเนื้าเกิดออกมาแล้วก็เยื้อไม่ได้ถกมันไม่ได้ทุกบังคับไปเป็นคนอยู่แต่ถูกไม่ศึกษาเรื่องกอันนี้ใหญ่โยกการเป็นเสือท่านสอนอาารบุเทนี่าสารนิสติยาได้วักัดด้อย่าไปละกัดาบที่ไม่หุ่น้าโยเล็กว่านไปถึงยมจะพาแม่ของโยมเลาะข้อออกมาไม่กับคนทุกถ้าเราไม่ยกเจะได้ทุกเหมือนกันนะเนะเราต้องท้อมตัวเราออกจากทุกใครได้เมื่อท้องตัวออกจากทุกเรา มันได้เราก็เป็นพระได้เหมือนกันแต่ไม่จะเป็นพระโง่หัวไม่เลืองหุ้มเลนอย่างนี้มีคาของโบราณขั้นสอนเอาไว้ถ้าพบไม่ได้ทองคำเมันถ้าทำไม่ใช่ตัวนงสู๋ทำมถ้าเล้งไม่ใชลกชาวบ้านทำไมเรื่เคยได้ยนหมกันเพ้าะระลูกมีบางพระพระเจ้าเลยนงสบางพระทำเลยูกชาวบ้านบางพระสงฆ์ก็เลยไม่เห็นเลยไม่เห็นจริงๆอันนี้เราศึกษาตัวเราให้เข้าใจจริๆลงถ้าเราไม่ศึกษาตัวเราเราก็ไม่มีโอกาส นี่ม่เยนาทีจะเห็าพสงได้จริงเมื่อเชื่อถึงผาะสงกระมมาเล่าให้โยมฟังเพื่อทำคนเข้าใจกันจะได้พราสงอยู่ในสังฆคุณธรรมว่าเจ้าโยนแต่เพื่อปฐมกนโนพระคริโตสาวกัสังโคเป็นภาษาบาลีคุอแ้่คนไทยฟังไม่รูเรื่องแต่ว่ามัไม่ตอเป็นอาษาไทยแต่ว่าสงสารของพระภาคเจ้านั้นนั้นนั้ต่บุคคลมีอไดปฏิบัติดีแล้วเนี่ย คือคนปฏิบัติโดยคนันอจะปโนพระคัมภสาวกขังโอันไม่เป็นภาษาบาลยแต่ว่าสงสารลูกขอภาพเยภาคเจ้าไั้นีั้นเมื่อใดกับเมื่อละคณะนี่นหมายเด็กเมืใดปฏิบัติเต็มแม่มาใมคณะหจะจกตปวนเมงปฏิบัติเต็มแล้เาให้ตกับคาสอนของตจริงจริงนายอุจาะปินพระัมภีสาวกขังคแต่ว่าสงสาวลูกขอภาพเยภาคเจ้านั้นอะไรปฏิบัติเพื่อไม่ทจนขึ้นออกจากที่แล้ว่ เนอะไออกจากดได้คนนั้นเป็นพระีงฆ์โยมเมื่อมาแล้วเป็นมุดคนโนไม่โหมดเนี่ยนี่คอู่จริงๆอาตมาไม่เคเลอาตมาก็เลือดิวกันเมื่อคานั่งหกเรียนเพระหนุ่มอาดิเวสิตก็เลือดตามปิเอนุ่มเรียนั่งเลือดตามปเอนุ่มนี่นัศึกษาน่เรียนหาผลจริงๆจะทาธรรมทานเป็นอาตมาธรรมกแต่ไม่เลยอันนี้เราไม่ได้จักเปมุดจริงๆอันนี้จะแนะนำโยมถ้าโเข้าใจเป็นมุดจริงๆเปมุดบัญญัต อารมณ์บังยับอัตตาบังหยับอริยบังยับให้คนนึนถึงจุด็นมดผู้ตายผู้หิ็นมุดมหัวเปมุดพัปก้เมุแหนมมุดเสือเป็มุด้าเปมุดทีนั้นเอมาก่สุดเร่องมุดวาบัยบขึ้นมานเคยเห็นเงนาวไหมคยเห็นไหมจกนเห็นลาวาคารเงินาวนะยาคาห้าสิตำกันไหมนนี้ ไม่มีราคาเลยคุณสมุดมดเอาอยู่เป็นดานดกัะเงิขใช่มนี่เป็นสมุดแล่วมอโลหะบ้าเรามีเหรียญะห้าบาทยีบาทก็จะยึดเป็นโลหะเหมือนกันไม่กระดาษบัตรห้าบาทบัตรสิบบาทบัรหนึ่งบาทบัตรร้อยบาทก็เป็นกระดาษเหมือนกันสมุดไขมันก็ต้เป็นไปตามสมุดของมันเงินต้อง้จากสมุดเข้าสมุดให้เป็นน่นไม่จักสมุดมันก็ไปติดสมุดท่อม่่่่่่่่่่่่่ม่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ ถึแยมแต่หนออา้ขาของคำเนี่ยเอาไปเป็นบินเอาไปเป็น อ, อึกปเป็นปวดไปผลถนนแล้วก็เอาพาไปผลผลก็ได้เราไปให้มันที่มันเองเราไปสมมติให้มันตั้งนี้เราเอาใเขาใจจริงนเลย่เอาห้าใจเรื่องนี้แล้วก็เลยไม่รู้ว่าพุ<ล>ทธศาสนาสอนเรื่องอะไรไ่รเยรพุรทธศาสนาสอนคนทุกคนไม่สมส ต, ต้องโกรธไม่ต้ออึดษาแล้วก็ไม่ต้องเบียดเบียนซึ่งกันและกันอยู่ด้ แต่ไม่จะพาดแต่เรื่องเนตามครจะนานโยเพาะโยนนั่งฟังนานจนเมื่อพอสมควเลเดี่ยวเมื่อไ่ยอมนีเลยนะน่ไม่ได้ล้่ค่ะามันจนเมื่อพอวนจะสอนทำเครื่องลัดเดโยนไหนมาไหนไปบ้านไปเรนเราคยดูมันเคลื่อนไหวกำมืให้มันรู้เยียกมีให้มันรู้ตาให้มันรู้้มีสเรธีจะสอนให้อันนี้หาเข้าหายจออกใมันรู้ังจะติดคนรอันนี้มันใหมันคิด ห้มถ้าเงินแงไม่รู้เดี๋ยวงน่นห้น้โน้นคคิดยงนยงมร้เงตอนจะตายจะมดนหายใจงนจะทีทีนทุกเนเนนินนั้จอนุภัณฑเงินจะเอาไปเดียวนี้ได้ใมนเห็นกับตายแล้วถ้าเอนุภัณฑ์เดียวนี้เงิจะคนไม่มีถ้าเงิไม่อนุไปเดียวนี้งิจะ่โดยโตายจตายโดยโชคี่เป็นอย่างนั้นม่ออกจากทุกขันนั้อะไรดูคนคิดเราคนคิดเงิุกผายะเอียดเข้าไปู เราเคยไ้ไม่ได้อยอมไม่ยอมเคยเรีนนักถำตียงทำที่นุ่งอุปกรณ์มากส อ, อย่างถ้เป็นคนเล็กได้น้องล็กทึ่ไหนน้ล็กถึงพอแม่เรากั้งนะตาจะน่าเอ็นด้ตัวถ้าเี้ยตัวเราไม่ออไน้องเลกจะเห็น้งทาส อ, อย่างนี้แต่เราไม่ได้ตัวแข็งกำลังเล็กแต่ตายแล้วทำอะไรได้ทำเงินคนนั้นทำเงินทางี้ตาจะเกิป็นโอดามาเกิดจะให้ที่สุดได้หรือม่ให้เห็นไม่เห็นไม่เห็นจะมีเจ้า น, น, นที่ไม่พอมร้อยกระต่างจะเป็นไง คนพอไร้ตาตางไม่จะพูดอย่างนั้นทำไรนิตยาศาสตร์เขาจะเลนเขาเก้าหน้าเดียวเนียทุกพระาสนเป็นนำหน้ากพระจาสนาเป au, hoy, ah, oh ็นของนำหน้านิตยาศาสตร์นทตยาศาสตร์นหน้าทุกพระาสนาเลยเดียวเนี่ยถ้าเาไม่ศึกษาอย่างนี้เราไปศึกษาเล่ากตัวของเราคนคนศึกษาให้ดูทำที่มีอุปกรณ์มากสองอย่างเลยหนึ่งตคนนั้นได้สสัมปันชนะความรู้ตัวไม่ตราคาเป็นเงินเป็นทองราาล้อยพันหนแสนล้านนี่คือูดนี่คูดุริ แต่เราไม่คิดเลยนี่ราคามากที่สุดนี่แหละทํามถึงราคาเนี่ยาจะนำโยมทุกคนหาะทเจ้าไปึกทางก็ได้ไปแต่บ้านโยมก็ได้บ้านของเราบ้านบ้านม้านพักโถก็ได้ไปสบายอยู่บ้านพักโถนยลิกได้แล้วลิกที่ไหนแล้กมาลิกเมือนี้ล้กไปที่ไหนลกทํานที่นันล้ลกทำงานที่นี่แลกถึงาอแม่เราเขาเลียน่ีแล้วลิกมาแล้วเลิกมาโอมก็จะเลึกสากาแต่ไม่อเราเลิกานแลตาแล้วอยนบ้ซื้อ ไม่เคยรู้เลยน่เคยให้คำว่าคุณผมไม่เคยรู้เลยไม่เคยร้จะพูดกันทาไมเรื่องมันไม่มีสาระไม่มีแก่นแต่เอาไม้ขู่มาให้กันจุบ้านแปลงเรือนือนพัดกรหักเต็มลงมาเลยเราต้องเอาแก่นแท้เอาใจการของไม่ไปจุบ้านแปลงเลยมันตีมั่นตรงเท้าหมดเดินกระลึกได้พูดหนง่มกระลึกได้พูดชายกระลึกได้เพราะมันมีลมหายใจตาแล้วมันจะลกระลึกได้ทาไมแต่วันนี้ก็เมื่อคนเมื่อแล้วตาคเมอพสมควรที่ได้นำธรรมะมาเราให้ยาโยมสั่งวันนี้ก็เห็นมากสปนเกเวลาแล้ว จุดนี him, <ador ant noise dens> ้อาจมาพร้อมด้วยศัดสและญาติโยมมนั่งฟังธรรมะนสถานที่นี้อาตมาขออ้างอิงอาคุของพระพุทธเจ้าและพระธรรมคาสอนขององค์สมเด็จพระสมาพุทธเจ้าและคุณของพระอรหันตาสาวกพระสมาสัพุทธเจ้ามาดูจิตสัจิตใจของกท่านผู้ฟงทั้งหลายถ้าท่านผู้ฟังทั้งหลายจงพยายามดจิตดูใจของเราจิตใจของเรามันเป็นพระพุทธเจ้ามันเป็นพระธรรมมันเป็นพระสงอยู่แล้วจิตใจที่สะอาดจิตใจที่สว่าง ติดไปที่สํากัดนั้นมันมีูแล้วในคนก็อดไม่หยุดเดินถ้าหากยอมยังไม่รู้ในขณะนี้โยงจะหมดลมขายใจนั่นแหละคนซุกมันจะสั้นเข้ามันจะทําเข้าโยมจะรู้จะเห็นในขาวนักระบานถ้ารู้ขานั้นประโยชน์นั้นไม่มน้อยที่สุดถ้าหยอมรู้ในขณะนี้เวลานี้เบื้นาทีนี้จะมีความสุขมากในเมื่อหยอมอตายนั้นต้องจ ะ, จะมีความสุขต้องไปแบบนี้ไปจนถึงเมื่อจะไม่มีสุข ทำให้พุทธศาสจากรเจริญทำให้คำสอนของพระพุทธเจริญทำให้ด้านเมืองเจริญขึ้นมาได้ขอให้ท่านทุกคนเป็นจงไปศึกษผลเอาในชี่ิที้จงทุกทุกคนเธอซึ่งผละเกิดมาเป็นเท่าเินบางคนจะเป็นแตกเป็นลำไปก็มีแต่เรามาที่นี่อยากให้เป็นเช่นนั้นต้อพยายามเอาตัวของเราให้เป็นเข้าทีนึงเข้าทีนี้เอาไปป็นจุเข้าในขดสบ เอาไปขายราคาก็แพงซึ่งก็มีรถดีกว่าข้อที่สองข้อที่สองเพราะเป็นจีเข้าในกัอสอบแล้วเอาไปขายราคาก็แพงกว่าก็ข้อท้ายเดวข้อที่สามเนีขายราคาก็แพงกว่ซึ่งก็มีรถดีกว่าถ้าเป็นแก่เป็นลาไปแล้วก็ราคาไม่พอดีซื้อไปให้หมเรื่องเป็ดเลี้งไกได้เรามาที่นี้ตั้งตั้งใจมาฟังธรรมะธรรมะอยู่ที่ไหนเล่าพระพุสอนเรื่องอะไร ให้าฟังทำไมเราจะจำไม่ได้็จําจำไม่ได้เพราะเราไม่เข้าใจเพอสอนกันไปไม่มานานเมื่อผู้เจ้ม่ก็เตือนอยาเจนมให้ผ่้มีปัญญาฟังสักเล็กน้อยว่าพระเจ้าของเรายึดทานไปแล้วสี่ร้อยห้าสิบปีเป็นได้สังขัญน า, าขึ้นมาเป็นครั้งที่ห้าได้จารึกเป็นตัวหนังสือเป็น อ, อนุัพษรไว้มันนี่เราก็มาเรียน เมื่อมาเรียนางนั้นบางทีอาจจะผิดก็ได้โูกก็ได้วันไม่ต้องถามโนมโนมต้องตอบมาอย่างที่ซาหานโยมผู้หญิงปวดหนุนขันต้องถามถามต้องตอบมาโดยคนจริงใจเมื่เป็นเช่นนั้ต้องต้องตอบโดยคนจริงใจเพื่อเราจะเอาไปเรียกว่าบวกลบโทนหารก็ได้หลือจะไปเรียเทียบยันสมัยตั้งการนาขึ้นมาก็ได้โยมอันนี้จะตีแล้วนี่ยนะ เจ็ดสิบเอ็ดปีอ่าโยมน่ยุีปีแปดยทั้งหมดแล้วายุตีปเนี่ยาายก่สเ่ิแล้วพ่อโยมสอนเรื่องอะไรให้พี่แรกที่สุดจาได้ไหมจำไม่ได้ออ็ดิ้จไม่ได้แต่ิจำไม่ได้นะอืแล้วพ่อโยมสอนเรื่องอะไรให้โยมพี่แรกพ่อโยนกับแม่โยนสอนเรื่องอะไรจาได้ไหมจไม่ได้ องอายุของเราเองเนี่ยยังไม่ได้ถึงสองตัวคนสามตัว่าจำได้จะใช่นั่นเดสองจท่านสอนเรื่องนนั้นจำไม่ได้จำไม่ได้เออนั่นแหละไม่ตรงนั้นกันลอถามโยมผู้ถึงแบบเนี่ยถามโยมพู้หญิงตั้งใจดีๆนะโยมผู้หญิงอายุกีีมาที่นี่กี่คนเนี่ยห้าสิบห้าเอายมต่อไปมีอายุกี่ป S <S <an> เอายอมต่อไปพูดกันทีเดียวก็ได้ไมียังอายุ50ประมาณเอา50 50ในเกิน50ปีแล้วยมอมเกิดมาจากท้องแม่หมาแล้วมัไม่ได้ยินนะเาากิด ม, ม, มาจากท้องแม่หลุดมาจากท้องแม่อายุ50ปีพ่อของโยมแม่ของโยมสอนเรื่องอะไรที่แบบที่สุดคือสอนเรื่องอะไรอยู่ที่ไหนจำได้ไหมสอนท่านนั่นเองสอนอยู่ที่ไหน เมือม่อเมื่อใดท่านสอนจำได้ไหมอันนี้ไม่ใชถามเพื่อติดเพื่อขาถามเพื่คนาจินใจเราจะได้แต่ยุทธใส่ถ้าพระเจ้าตายจะแล้วได้สี่รอยห้าสิบปีเมื่อมาคิดทบทวนเป็นอายุของคนเราแปดสิบปีตายไปอนี้นมันจะทั่วคนและตุ้งจะได้เขียนหนังสือเอาไว้แล้วก็ะทะลุอันนั้นมเรียนอันนั้ น, น, น, นมาสอนกัน อ, อันนี้แสดงว่าเราจําคําพ้อคําแม่ของเราไปยังไม่ได้เพียงทั่วคนเดียวนะบ น, นี้น บารีนนโน่ของโนยกนย ก, นนยน ก, ยก็เท่นเดียวกันโยมสอนโูกโยนโยกจำไม่ได้เช่นเดียวกันอันนี้แหละพุทธศาสนาเมื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าจะมีมากถึงแปดหมื่นสี่พันทศวรรันธก็ตามสอนให้เราศึกษา ح. ให้รู้ตัวเราไม่ใหเป็นคนลืมตัวเมื่อเป็นคนลืมตัวแล้วเป็นอย่างไรก็ไปู้คนอื่นไปเห็นคนอื่นเ่ไปรู้คนอื่นไปเห็นคนอื่นก็นเลยลืมตัว และบารี่พระสงท่านก็สอนให้ทำบูงให้ทานรักษาศ้ลทำกรรมฐ า, านการพมตนาเมื่อพูดตามตัวหนังสื อ, ถ, อสถ้าให้จำศาสตร์ได้หรือเซเวียร์ให้ระลึกศาสตรลได้ศาสตร้ตางประเคนหลังร ล, ลึกษาสได้อันนั้นเป็นการเข้าใจที่ยังไม่ตรงกับพุทธประสงค์เรื่อนี้พวกญาติโมทุกคนมานี่ยทุกคนมีพ่อมีแม่ทานั้นเกิดกับพ่อกับแม่แทานั้นนม่ตักจากต้นไม้ภูเขา ไ, ไ่เกิดกับ่อม่หน่องของมันเกิดกับคนวันนี้เด็กน้อยก็มีพ่อมแม่เหมือนกันแม่โยมก็มีพ่อมีแม่เหมือนกันแต่เดี๋ยวนี้อได้ว่าท่านายแล้วเพระว่าอายุในใจเจ็ดสิบแปดก็ตากันแล้ธรรมด า, แ, า แ, แต่ท่านตายแล้วเห็นทําไหมไม่เห็นอันนี้ก็เ ล, เล่าเรื่องที่เคยประสบการมาเมื่อพ่อแม่ตายแล้วก็ทำบอยู่ทิศให้พ่อแม่เราโยมเคยทําหมาทำยังไงทำบุญอยู่ทิงงทงงทพอคงโยเนี่ยทาได้อะไไหม การประเพณีงานหนักที่ว่าคนไทยเมื่อะไรทำทำตามประเพณีเท่านั้ม่อทำด้วยกติปัญญาอทั้งมดพราะาขมูที่ไหนเ็ไหมแมเห็นไหมไม่เห็นไม่ไป็นจะเอกของไปให้ท่านจะได้รับหมเราพิจารณาให้มันดเรื่องนี้ที่จมาล่าให้โยนังโยนก็นั่งเคยทำบุให้พอให้แมือนกันไหยังเห็นคาดวังนำทำนำนำนำกรณีอ๋อ งานกรณีอยู่ที่ไหนออันนี้เรเราไม่เข้าใจเนี่ยเราทาอะไรทําตามตา ม, ตามกันมาเท่านั้นไม่ใช่ใช้สติปัญญาเที่ยงตาเถียงข่มขืนโมถ้าพ่อแม่โยมไม่ทําให้โยนเกิดโยมเกิดขึ้นมาได้ไหมเกิดขึ้นมาไม่ได้นี่ยทุกคนต้องอาศัยพ่อแม่ทําให้เป็นมาโยมก็เกิดมาจากพ่อจากแม่แล้วบันไดทําบุญก็ทำบุญให้พอ่อให้แม่อยู่ที่ไหนพ่อแม่ก็ไม่รู้ เมื่อเราไม่รู้พ่อแม่เราจะเอาไปให้ใครที่ไหนจึงจะเห็นจนงจะรู้วันนี้ก็แปลว่ามาโซนจิตสะกิดจัดกันฟังกันดูดีว่าพ่อแม่เราคือใครอยู่ที่ไหนมันนี้เราต้องคิดกว่าดุถือไม่ว่าไม่ว่าคิดไปย้อนไปถึงต้อจะอดูดผู้โรพ่อแม่ยมก็แ้ไหนนอนคิดไปเลยอายุขนาดห้าหกสิบปีนะเจ็ดสิบปีเจ็ดสิบเจ็บสิบไรเอ่อเจ็ดสิบเนะประเดอนคิดไปเฉยแม่อยู่ เงินอยู่ในท้องแม่ของโม่นกี่เดือนอย่างน้อยต้องหกเดือนแล้วสิบเดือนนะ่สิบเดือ น, นะอนแล้วโม่คิกี่ครั้งเคยคิดถึงไหมแต่ไ ม, ไม่ได้เคยคิดนะนี่นะไม่เคยคิดเลยเมื่อไม่เคยคิดแล้วก็เลยไม่เห็นพอเราไม่เห็นแม่เราเราต้องคิดบ่อยๆโมก็มีมีลูกขึ้นมาเหมือนกันลูกโม่ก็จะไม่คิดเหมือนกันคิดแต่ไงะวะหาเงินหามาหาสวนหาอะไรไปทีปา่าหาไปหน้าเรื่อยไป ไม่ได้คิดไปเรื่หลังเลยเราก็เลยไม่รู้ว่าพ่อเราอยู่ที่ไหนแม่เราอยู่ที่ไหนทําบุญอุทิศไปให้ได้รับแล้แต่ยังไม่เคยรู้เมื่อไม่เคยรู้ท่านก็ไม่ได้ลับมับนไม่คิดถึงทุกคนคิดถึงพ่อถึงแม่เนี่ทุกคนต้องคิดถึงทุกคนวันนีโยมต้องฟังกันให้ดูพอ่อโยมอาจจะไม่เคยได้อยู่ได้ฟังอย่างนี้พ่อหองโยมคือตัวโยมนั่นเองทำมาเพื่อคือแต่คือมันไม่ได้เป็นตัจบอจริงๆแต่ถ้าโยมมีปัญญาก็รู้แม่ขงยคือตัวโนี้นเอง แต่คือแต่ไม่ก็เป็นตัวจริงเพราะตัวจริงคันตายไปแล้วถ้าหันโยมีปัญญายึดเดียวออกไปที่สว่างเป็นเงาขึ้นมาเพราะคนมีปัญญาออกไปที่สว่างพ่อแม่เราก็เหมือนกับเงาของเราทั้นั้นเมื่อตัวเราออกไปที่สว่างก็เห็นเงาเห็นเงาโมก็เห็นเงาตัวเองไหมเห็น <H it> ถ้าดูที่มืดเห็นเงาไหมยังเห็นอันที่มืดนะเหมือนกับคนที่ยังไม่มีปัญญาเป็นมืเหมือนกับคนที่ไม่มีปัญญาดูในที่มืดไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ฟังก็เหมือนอยู่ในที่มืด ถ้าเราออกไปทิศเยื่ก็เหมือนที่เราไปแสวงหาฝังธรรมะจากบุคคลที่รู้เราจะมาพิจรารณาก็เลยเห็นได้เนยเงาของที่ติดตัวเราเพ่อเราแม่เราเหมือนกับเงาติดตัวเราท่านไงเอวนาที่โองค์รักษาเราคงเหมือนกับเงาเราท่้นอันนี้นพอเราให้ฟังแต่ไม่รู้หานั้นก็ไม่รู้เหมือนกันนั่นแหละโยมนี่แ ว, ว่าคำของคนพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราสอนมานั้นเป็นจริงทั้งนั้นแต่เราไม่ได้วินใสั่กันเลย เราไม่ได้พิจารณาเรื่องนี้จริงๆเราคิว่าท่านตายแต่แล้วสร้างเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่ตกนั้นเนาะขึ้นสวรรค์ฐานโยมบันเนโยมมีนกสี่คนนกสี่คนแล้วยังสี่คนอย่างนี้สี่คนสี่คนถ้าหากโลกโยมทะเาะกนสบายใจไหมโยมสบายใจโยมสบายใจนอนไม่นอนใช่ไหมนั่นแหละนรกโยมแต่ไม่ถ้าหากโลกโยมูกต้องค้องกันไปไหนมาไหนเขา ดีดเพื่อท่านสบายใจหมอือเนี่่ไไม่เคยสอนเรื่องนี้นถ้าสร้างมืองตลาให้พ่อให้แม่เราต้องกกโลกกับฉันดูลูกลูกหลานถ้าลูกหลานาไปดีมาดีพอแม่ก็สบายใจถ้าลูกหลานไปไม่ดีมาไม่ดูพอแม่ก็ไม่สบายใจลูกตายข้างเดียวสบายใจขอลูกยังเป็นคนทัน่วงทุกขแต่ทุกเอาเดียวมมัมตายเทานั้นเองคือเนี่ยยมก็เข้าใจอนันเพื่อจะมาจกพูดให้ฟัง ไม่ต้องพูดเรื่องบุญกุศลตายแล้วไปโลกสวรรค์ตายแล้วไปนั้นลูกไม่ต้องพูดอย่างนั้นเพราะว่ามันมองไม่เห็นวิทยาศาสตร์เขาจเจริญเขาก้กาวหน้าพุทธศาสนาลาหลังเขาแต่พุทธศาสนาเจริญกว่าทุกอย่างแต่ไม่ได้สอ น, นเรื่องคนเกิดสอนแต่เรื่องที่ไม่เห็นดั ง, งนั้นโนยมทุกท่านพ่อโยมก็ต้องทําตัวของโยมให้ดีแล้วเอาตัวของโยมไป ท, ทําถดกปดหมายบ้านเมืองอย่าไปทุจริตอย่าไปโกรธคนนั้นอย่าไปโกรธคนนี้ ถ้าเราไปโกดคนนั้นไปโกรธคนนี้โยมเป็นคนไปโกรธเขาเมื่อเขาโกรธตอบโยมโยมก็ไม่สบายใจเมื่อโยมไม่สบายใจพ่อโยมก็ไม่สบายใจทังทีเนี่อโยมก็ไม่สบายใจทันทีถ้าโยมพูดดีดีด้วยสตีปัญญาลูกหลานทําอย่างนั้นไม่ดีลูกหลานเขาไม่เชื่อฟังก็พยายามพูดให้เขาเข้าใจโยมก็สบายใจเมื่อโยมสบายใจลูกหลานคนทีท่ฟังก็สบาย เมื่อแปลวันวเราออกไปที่แจ้งเงาะมันก็ต้องเห็นปิตหมายจริงๆดังนั้นทำบุญอุดช่ให้พ่อเราแม่เราพ่อเราแม่เรามีกี่คนเรามีไอ้หน้า ก, กี่คนมันก็ไปรวมกันมามันนั้นจะทําบุญหาพ่อเราแม่เราก็ไปเลือกกันมาทําบ้านใครทํามารวมเอามาประสมกันเธอมีเรื่องอะไรมีคนทุกอย่างไรมีคนเดือดร้อนอย่างถามถึงเหตุผลคนพิเศษคนที่มีก็ต้องเลี้ยงคนที่ม่มีคนที่มีแม่ก็สอนกันให้เจริญขึ้นไปคนที่ยังไม่มีมันหมดเกินเพาเรื่อง อ, อะ มันก็กาสินเล่าหมดหมดเลยสักการสิ้นเล่ามันก็การเล่นกัรพ น, นันมันหมดเพราะอะไรก็ต้อง <c oughs> นะนากันเลิกนะจากสิ่งนั้นเงินก็คอมีขึ้นมาเท่าีน้องๆเรามีเงินมีทองไ้จ่ายกันก็คนละเราก็สบายใจจะได้โยนได้ยัยยงไงแตนี่หละโยามาทาบุญเนี่ยบุญคืออะไรโยนบุญคือสบายใจออกนี่ก่อนแล้วต้องออกสวรรควรนัเครื่องบินเขาบินจะเลือนเขาบินไม่เห็นโนบ้านเทวดาเลยมามังไม่เคยเจน เขาเจาน้ำมันดานเจาะน้ามันลงไปถงน้ำทะเลก็ไม่เหมือนจะเจอะอมนรกยเนาะไอ่เคยจะานะคำมโบาณท่านสอนเอาไว้สวรรค์อยู่ในอกมนุษอยู่ที่ใจถ้าไม่ทานก็อยูที่ใจเมื่อยอมไม่ศึกษามาดตึงราก็เลยไม่รู้หรือไม่หนเ่คนจะมาเลื่นตัวลื่นตัวมองไปข้างหน้าอยู่ไม่หยุดไม่หยอนเมื่อมีโลกก็มาประมองโูกเราเม่มีหลานก็มองหลานเรามองไปเรื่อยๆไปตายเนาเข้าลง ไม่เคยได้ดูชีวิตจิตใจของเราเลยคนไม่เคยได้ดูมเคยดูชีวิตโยมกี่ครั้งแล้วเกิดมานี้อายุเจ็ดสิรปีมน้หาครั้งเลยวะมันเป็นยังไงชีวิตของโยมเอะไมราน้มันเองนั้มองไปอย่างนั้นนะเอาถามทุกคนทุกคนนะต้องมีเสียงพูดให้หลวงพ่อได้ยินดูไม่ิตใจของโยมเป็นยังไงผู้ายเป็นยังไงจิใจ่องนี้เนี่ยสบายแล้วของโยเป็นยังไงตนี้ อ้าวทุกคนเ่ป็นไงสบายสบายเลยนะสบายเลไหมออทที่ของเราเปนย่งนี้มาตลอดมาเรเคยโกรธเป็นไหมเคยโกรธเป็นนะแล้วโกรธไที่ไหนเดี๋ยวนี้เห็นไหมวันนี้เป็นไปที่ไหนมัโกรธมันเป็นยังไงมันยโกรธขึ้นม มันตบขึ้นมาอันนั้นเน่าโยลื่ตัวลรยืมตัวเนี่ในขณะที่มันโผนไม่ได้ดูนมโไม่ได้ดู่วิตกใจของโยมันก็เลยโผ่มันตกหน้าเอาเลยไม่เป็นยัถ้าจะสอนให้เรารู้ตัวเราจะเสมอนี่อันนี้มันเป็นบุญเลยใ่ไมายที่ดีอยืมเป็นในจิตใจโยที่ดีฮ่เคโผดเป็นไหมแล้วโผดมันอยู่ที่ไหนเดนี้ อยู่่เขาบอกมาให้เราโกรธใจโกรธขึ้นมาให้หลวงพ่อดูด้วยเป <c oughs> ็นว่ามาอยู่ที่ไหนมันมาไม่ได้อันอันนี้นนสแสดงว่าโยมยังไม่ได้ดูชีวิตของเราชีตของเราทุกคนลักษณะนี้แหละโยมหาอุทานไม่ไกลไม่ไกลจริงๆมาวัดโบกนี่ถ้าหากว่าคันใดเป็นเข้าวอ้วนๆจนะเต็นนะเอาไปเข้าวลงสีมันจะเป็นข้าที่หนึ่งออกมา มันจบเข้ามายขับสอบแล้วขายราคาคนดีคนก็มีรถดีถ้าไม่เข้าของขายมันจ่อยมันพรอมเอาไปโยนเข้าลงสีมันจะหักขึ้นออกมาเป็นข้าวที่สองถ้าไม่เข้าเม็ด้มันไม่ดีเอาไปเข้าลงสีมันจะนุ่นออกมาเป็นข้าวที่สามเป็นคำเป็นแศษแตจะไม่มีราคาดีการฟังคำมากกว่าเส้นเดียวกันวันนี้ฉะนั้นหลักฐานนิพานห้าหาว่าโยมเข้าใจแล้วพุทธศาสนาจะเจริญขึ้นมาแล้วธรรมาพูดให้ฟังทีแรกว่า ถ้าเป็นเจ้าไปแสดงทำให้พวกบรรดาวีทั้งห้าฟังแรกห้าคนฟัดเข้าใจคนเดียวเกินพ ญ, ญาคนอันเนี้ยมคนยังไม่เข้าใจคนยังไม่รู้เรื่องต้องเจริญนิพพานนาเจริญสติยิ่งมายิ่ไม่จำนวนห้าสกว่คนควรจะเข้าใจลักษณะนี้โ อ, อ้เสยๆ อ, อ, อันนี้มีอูแล้วทุกคนไมน่กวนผู้หญิงก็มีอย่างนี้ผู้ชายก็มีอย่างนี้นนลักษณะนี้เป็นยัาง ลักษณะนี้ดรียวเนือดีเหนือชั่วเนือบาปเหนือบุญเรีกว่าจิตเป็นอเตขาอุเตขาตัววางเสยจิหลักธณะวางเสยนี่แหละโยมยังไม่ตายเลยถ้าหักโยมไม่มีจิตอย่างนี้โยมตายเลยโกขึ้นมาจิตหลักธระมโสเสยอุตตขายมันบอกว่าอยากโกดเลยอยากโกดเลยจิตเสียจิตเสียมันมันดึงไว้ในนั้นนิพพานนั่นคืเป็นเบ็ดรถเอาไว้เป็นสมหมาะเกาะรถเอก็ะเรือไว้หรือว่าเป็นอะไรก็ได้เลยโยมมันสมบูร นม้นหลักเจ้หน้าไม้ทานนั้นมันลืแล้วในคนทุกคนไม่หมดนีน้แต่เราทําไมจึงไม่เห็นก็เพราะโยนไปหาบุญไปเอาบุญบ้านนั้นไปเอาบุญบ้านนี้แต่ทอดกระถิ่นที่นั้นไปบังกระถิ่ผ้าป่าที่นี่ไปไหว้อันนั้นที่นั้นไปไหว้อันนี้ที่นี่แต่สร้างพระพุทธรูปที่นั้นแต่สร้างพระพุทธรูปที่นี่เลยไม่ได้มาสร้างตัวเองเมื่อไม่ได้มาสร้างตัวเองเก็เลยปล่อยตัวเองปล่อยเนื้อปล่อยตัวไปเป็นคนลืมตัวไปเป็นลืนตัวนี้ มันก็้โลกเลก่าเอาไว้หรือจะเป็นพระเจ้าก็ไม่ขาดคนเลืนตัวได้เหมือนกับคนตายแล้วหรือจะมีชีวิตอยู่ก็เหมือนกับคนตายแล้วในขณะที่โงโกตรขึ้นมาใ น, นยโยมลื่ตัวเมื่อโคตขึ้นมามันกำเนิดคนตายเมาเข้าโรงมันตายหมดลมหายใจมันออกไปขึ้งทีเดียวอ อ, ยออกไปสูกใสาอาไปฝังบินมันหายทีเดียวไม่เหม็นหลายวัานโยกโงก็เหมือนกันถ้าโยมโยมําชั่วลงบ้านลงบันไดไปคนนั้นเขาว่าลูก คนนั้นไม่ดูคนนี้ไม่ดูรวมก็สบายใจไม่โยุดไม่สบายใจไม่ออยากลงบันไดไปให้คนเห็นใช่ไห ม, ไมหนมี่แง่โยมโยมสร้างเหมือนนั้นโยมตัวเขากนสร้างเหมือนนห้เขาไม่ใช่ไงนนในขณะที่เขาทําไม่ดีนั่นเขาหลืมตัวเขาเราต้องสอนกันแบบนี้ยสอนกันทุกคนสอนอย่าปล่อยเนื้อปล่อยตัวไปการทําบุญให้ทานนั้นทําไปแต่ว่าเมื่อเราลืมตัวเราอยู่อันนั้ น, นตอว่าได้ประโยชน์อย ลักษณะที่มันไม่มีโกดไม่มีโลคไม่มีโรงนี่เนี่ยท่านว่าเป็นสมบัติของมนุษย์เรื่องขอมนุษย์สมบัติมนุษย์เป็นสมบัติอยู่แล้วสวรรค์ก็เป็นของมนุษย์เองวิถางก็เป็นของมนุษย์เป็นเองด้วยมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติวิถานสมบัติต้็นสมบัติของมนุษย์ผู้มีจิตใจสูงแล้คนกับมนุษย์ไม่เหมือนกันคนนั้นแปลว่ายังจิตใจต่ำติตใจยังต่ำมากเป็นจัตก็ได้เป็นผีก็ได้เป็นสัตมนุษย์ก็ได้เป็นสัต โดยทางนั้นเป็นโสดก็ได้แต่มนุษย์ไม่เป็นเป็นได้แต่เพียงมนุษย์ไม่เป็นเทวดาไม่เป็นพระเป็นได้รยมเคยบวชหมเล็กปี๕ปี้นคณะไม่บวชโยมเรียกว่าพระเรื่องอะไรเรียกว่าพระก็เป็นโยมนเป็นฆราวาสเป็นโยมโยมที่ถามาเนี่ยได้บวชตคนที่เรื่องมาทุกคนมาทอนเน ว่าทั้นั้นนเม่อโยเราไม่ได้จับสมุดเมื่อเราไม่ได้จับสมุิเราก็จะปิดสมุิสมุดบวดเอาแล้วก็สุกอันนั้นเรว่าสมุิสมุติะกับบัญญัตขึ้นมาเป็นตัวบทกฎหมายในขณะไบวยนั้นน่ะโยผู้หญงแตแต้อไม่ได้เลยโยมแต่บวได้เดี๋ยม่แตะต้องได้ไมโยเปคารวะเคารวะยร์โซ่และร่างกายเหมือนเดิมไห เมื่อเราโยมคำว่าพระเป้าผูาผ้สอนห้าแป้ผู้ประเสริฐแต่เมื่อบวชย้ติการก็เป็นพระได้เหมือนทันเนโดยสมมุตินี่สมมุติทำเอาซึ่งนั่นก็กเป็นโยมเหมือนเดิมคำว่าบวชแล้วก็เรียกว่าพะแต่เราไม่ต้องทําอย่างนั้นแต่ทําอย่างนั้นสองคานี้ให้รู้จักทำอย่างนั้นจะยังไปทําอย่างนั้นในขณะโยมสึกเขาไปเป็นคารวาจะให้โยมเป็นพระได้อยู่ภายในจิตใจให้เป็นพระได้จิตใจของโยมเป็นพระได้ทุกเวลานาทู เมืเ่อเราพระได้อยู่ทุกเวลานานอยู่แล้วพระ ก, ก็อยู่ที่โยมเองอันนีเป็นเป็นสมมติบทแล้วกระสุกสกกดกกระเบิดพอที่จะเข้าใจพทุทธสองอังกัจณ์นี้ต้องเข้าใจอย่างนี้ถ้าโซดาบันบุคคลยังมีครอบครัวผัวเมียตามปกติในโลกแต่ไม่ไปตกนรกอีกแล้วโยมมาบวชไม่หลายปีสึกออกไปจำเรือนเมฆและขยันกรวดเต็มแล้วทาไมเ ม, มื่อบวชเข้ามาเนี่ยไม่ศึกษาหาเต้นเท็ดลูกของเราโยมกรวดไม่หยุด ในขณะเมื่อเราโผล่ขึ้นมานั้นเราเลื่ตัวเพรคนพอที่จะเข้าใจแล้วที่พวกนี้โยมผู้ซายก็คงจะเข้าใจนะเข้าใจนะโยมผู้ก็เข้าใจไหมนี่เข้าใจอย่างนี้เราก็เป็นฆ่าได้เป็นฆ่าโดยที่ลูกที่หลานโยกับเมื่อกับหลานโยกับบ้านกับเมืองเป็นฆ่าอันนี้อันนี้เรีาเป็นปรามัดบัญญัติมีสมมติบัญญัติมีปรมัดบัญญัติและมีอัฐะบัญญัติและมีอริยบัญญัติ เราต้องเข้าใจดังสมมุดทานัดกับสมมติขึ้นมาถ้าเรีมประดุไปเ ว, วบ้านถ้าพระสงปรดไปเ ว, วัดมันสมมตขึ้นมาถ้าพระพุทธรูแมกต้องเป็นไม้สร้างสร้างเขาไปฟันเอามาเป็นพระพุทธรเป็นไหมถ้าเป็นตูนเป็นอุดเขาเอาดินเป็นอขึ้นมาสร้างสางเขาเป็นรรมข้นกลาเป็นพะทธูถ้าเป็นทองเป็นแก้เป็นอะไรก็คีแม่ก็ต้องเป็นทองเป็นคนอะไรจำใจเมื่เอาไปลออเป็นหลอม แล้ว ก, ก็เป็นทพุทธโลกออกมาก็เป็นเพียงสมมติพรรแหน่งเรื่องนี้ดังนั้นเมื่อนี้อ า, าจะมาจากเราให ส, สมัยอาจะมาเป็นเด็กพอเราเห้ฟัณ า, าพุทธของเราเนี่เมืเ 5, 5, 5, เ่อไปได้ห้าพันปีหรไปห้าพันทารจาาพุทธจะเชื่อมไปเชื่อมไปหมดเลยในหมเ ม, มือ่อห้าพันปีเท่เมื่อพอเดห้าพันปีแลจะมืดเจ็วันเจ็ดคืนนะและ พ, พุทธโลกจะเป็นท พ, พุทธโลกไม่ก็าตาม จะเป็นพระพเทวนิครองก็ามจะเป็นอุเป็นคนอะไรก็ตามจะห อ, อกกันไปห อ, อกป็ปรวมที่เดียวรยวมที่ไหนก็ไม่ทราบนรสมมุติให้ฟังกับเหมือนกับญาติโยมมาจากบ้านญาติโยมมาที่นี่หอกมาเป็ไกระด้หอรยรวมเอาลถมาใะไหมเอาลถมารถก็ได้ออกมามารวมกัที่นี้เนี่ยมารวมแล้วพระเจ้าแสดงทำให้ฟังสมมตินะเจ็วันเจ็ดคืนหนึ่งคุณได้มีปัญญาฟังแล้วได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันก็มี เป็นได้มีปัญญาแหลมคมไม่เป็นพระทหารขมีวันแสดนเจ็วันเจ็ดคืนแล้วก็หายตัวไปในวิถานที่พระอาจารยก็จะเริญขึ้นมาอนนี้ก็เหมือนกันมสมมติถ้าไม้นั่นห่อไปไม่ได้ถ้าทองหอไปก็ไม่ได้อออก็เอาขึ้นมาขี่ถ้านีทีนี้อา จ, จารยจะนำมาเล่าให้ตัง <c oughs> ในวันนี้สมมติรวมนุ่เ่งเป็นพระดวงจิตดงงานถ้าพราประสุกข์กับพระนั้นเทากับมเล็ก น, นาไว้นนัง ทุกนู่นเลยทัพที่ตัวูกน้นพอไปไม่ได้อย่างง่ายโยนมาที่นู่ดวงชิดของเรานั่นแหละมันสามารถที่จะโนได้เท่ากับเล็กงาเลยเมื่อเราพอกโทนขึ้นมามันก็โตขึ้นโตขึ้นเตืเท่าจะมาโทกแล้วว่าตั้งใจฟังแค่ดีแค่เป็นแค่คนอ้่นๆเนต็ม้นแล้วก็ต้องมองเห็นลักษณะภาพที่อยู่ท้องนี้มันเป็นทุกขนาดไหนหากที่เปลือยโตๆดังนั้นออกมาไม่ได้ไม่รู้จักทางออก คนคัดกำหนดเก้าเดือนตุดตวที่จะลูถ้ถางออกมาเมื่อลูถทางออกมาแล้วกานอนแค่สองสลิงบ้านอาจารมาว่าแค่สองสลิงนอนทิศก่นติมโตไม่ได้ร้องอยู่ทีนั้นให้อยู่ทีนั้นไม่รู้จากทุกข์เลยเนทุกข์เลยองแม่ก็ไงเพราะออมาแล้วก็ไงเมื่อเป็นนุ่งเป็นสาวก็ยังไงเป็นข้าวจนแก่ก็ยังไงเรื่อนี้พระทธาท่านสอนเรื่องทุกข์ทั้นัพพ้นพเจ้านเรื่องทุกข์มาสอนแต่เราไม่เข้าใจเลยเพามาไม่มี ไม่รูเมื่อไม่มีล้วก็ไม่รู้เมื่อเรามีเราก็รู้เราก็เข้าใจเพราะมันก็มีมีพ <my shit. S 2> ่อมีแม่ติดตให้เกิดแล้วก็ต้องคิดไปถึงอ้คาวนั้นคิดถึงตีมีทองแม้คิดถึงตีตัวได้หาถังออกก็ไปดหนมืดตึ้ยอยู่ที่นั่นเไม่เห็นฟ้าไม่เห็นด ah ินไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยเงียบก็คึกถึงได้พูดคนก็คิดได้พูดตายก็คิดได้คนข้าวคนแสก็คิดได้คนหนุ่มคนน้อก็คิดได้คิดเรื่องนี้เมื่อเราไม่คิดเรื่องนี้เราก็เลยไม่รู้จักทุก การทำบุญให้ทางรักษาศีงมันดีอยู่แล้วแต่มันยังมันมันไม่ใช่เป็นทางปลอทุกเท่าไหร่เพราที่สอนเรื่องทุกให้เราทุกคนเข้าใจเรื่องทุกดวงวิญวันนี้ไม่ได้สอนเรื่องทำบุญสอนให้คนทุกคนพิจาาถึงความทุกนี่สอนให้คนทุกคนดูชีวิจิตใจของเราหลักษณะสวรรค์เป็นอย่างนั้นหลักษณะของทานเปนอย่างนั้นหลักฐาะของมนุษย์เป็นอย่างนั้น เราจะได้รู้เรื่องนี้ดังนั้นเรามีแล้วสวรรค์ก็มีแล้วนิพพานก็มีแล้ว ม, วมนุษย์ก็มีแล้วแต่เราไม่รู้ทําบุญให้พ่อให้แม่เราจะต้องท so ําให้ตัวเราให้ตัวเรานี่จะได้รับลดของพระธรรมพ่อแม่เราก็ได้รับลดของพระธรรมเหมือนกันเรารู้นิพพานพอเร า, ราเ <c oughs> ก็จะรู้นิพพานเหมือนกันแม่เราก็จะรู้นิพพานในเหมือนกันเรารู้สวรรค์เพ่อเราก็จะรู้สวรรค์แม่เราก็จะรด้สวรรค์เรารู้เมือมนุษย์พ่อเราจะรู้ ม, รร ม, มนุษย <c> ์ <oughs> แม้เราก็จะรู้มนุษย์มนุษย์ไม่ใช่คนแต่หน้าตาเหมือนกับม น, นมีแขมีขามีมือ ม, มีเหมือนกันแต่จินสูงกดคนกับตัดทายทยเหมือนกันหมดตอนนี้คนบ้านอาตมารเรียกว่าคนจะก็วนมันเคยทำข้าวหนุนขึกวนเข้ากันเป็นยกใช่ไหมอวนเขา้ากันเยเห็นหมนขา้าวนก็เป็น เ, นเหมือนกับตงใช่ไห ยก เ, เป็นไม่ได้นั่นเน่ะเออนั่นเคยทำนี่นว่าคนเป็ น, นอะไรหนึ่งคนนั่นแต่ว่าจิตใจดำยังควนเขา้าอะไรเข้าหมดเลยเอาคนไปเข้าก็เข้าเอาสนเข้ากันได้หมดเลยเนี่ยคนกับสเข้ากันได้ดังนั้นเวลารโกรธขึ้นมาเป็นสัตว์เวลารไม่กรขึ้นมาเรียกคนมันเนี่ยมนุษย์เปนผู้มีจิตใจสูงออหลักชนะชีวิตจิตใจของเราไม่เคยโกรธเลยโกรธเมื่อมันมาในคราวที่เราเลืมตัวในคราวที่เราไม่เห็นคนคิดเ้าที่หลวพ่อพูเนี่ย มึงก็ตั้งใจไว้ป่ะเนี้ยเพรคนโสดไม่มีสิิงๆแต่ข่าวใดมันโกรขึ้นมามันทาทิฐิธรรมมันเลยเนี่ยเพราะว่าคนตายหมดตดยหายใจอลฝังดีมันหมดหมดกลิ่นมาเลยมาไปเผาไฟกลิ่นเหมนก็หมดแตกคนเต็มๆไม่ตายมันหมดไม่ติดดูได้แค่โคเหมนที่นั้นแต่โคเหม็นที่นี่นเี่ยอันเหม น, นั่นคือควาอุดจระส ม, มุทัยโยมฝังทุกคนบ้านนมเคยเลี้ยงไก่นะเคเลี้ยงหมา กองขี่ไก่กองขี้หมานี่เราทุกคนเกลียดทั้งนั้นแล้วโยมเคยเหยียดไหเหยียดเหมือนกันเลยแล้วมันเห็นหใช่ไหมในขณะที่โยไม่เห็นโยมไปเียด่ไหมมันมั น, ม, นมันไม่เห็นมันเหยียดออกใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันเหไปล้างออกใช่อันนี้ก็เหมือนกันในขณะเราเห็นชีวิจิตใจของเราโกรธไหมในขณะที่เราไม่เห็นมันโกรธขึ้นมามันตกหน้ามันเลย็นเมื่อเหม็ น, น, หมนก็ต้องอุจจาระเส็จแล้วหน้าละอายหถ้าโมโกรธวันนี้ เม่หายโกล้วละอายเขาเนี่ยมนุษย์มันเป็นอย่างนั้นมนุษย์จึงเป็นผู้พยายามฝึกฝนอดรมตัวเองไม่ให้คนโกรธมาใกล้คือเป็นคนไม่ลืมตัวคนไม่ลืมตัวนั่นแหละเรียกเป็นพระโยมโยมมาบวชทีแล้วนี่ไม่ได้สุดตรงนี้ไม่ได้สุดเลยไม่ว่าให้ตาปตักเลยดูก็ดีแล้วัวนก็ดีแล้วโยมผู้หญิงก็เช่นเดียวกันเคยเข้าวัดคลางธเคยรักษาศีลเคยทํารรมฐ า, านแต่ไม่เคยฝึกใจไม่เคยดูใจใจไม่ต้องฝึกยมเพราะจิตใจมันสะอาด ปิจัยมันสว่างจิจไม่ต้องอยู่แล้วปิจัยิจะอาดคืออะไรคือพระพุทธเจ้าปิจัยสว่างคืออะไรคือเราเห็นชีวิตเราปิจัยสงคืออะไรคือจบแล้วเขามายุให้โกรธเไม่โกรธแลวเป็นทุกข์มันทุกข์จริงๆคนโกรธนี่อันนี้เรียว่ามนุษย์เป็นาระก็ได้เราเป็นพระญาบุคคลถ้าโยมผู้ายผู้หญงเป็นอย่างนั้นเขาเรียกระบุคคลถ้า้าสงฆ์องค์เงินเป็นอย่างนั้นเขาเรียกเป็นพรยาส์จรง